สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้า ว, วันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าครับก็คือเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราได้รับคำตอบจากพระเจ้าแต่ปรากฏว่าการอนุญาตครั้งนี้นำมาซึ่งความเสียหายนำมาซึ่งความแห้งแล้งฝ่ายจิตวิญญาณ น, นำมาซึ่งความล้มเหลวครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในช่วงนี้เป็นเรื่องของการตอบคำอธิษฐาน ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎทองคากฎข้อที่16กครับกฎของการได้รับอนุ ญ, ญาตจากพระเจ้าเราพบว่าพระเจ้านั้นทรงตอบคาอธิษฐานทุกคาอธิษฐานครับและพระเจ้าตอบว่าอย่างไรก็คือพระเจ้าตอบว่า yes no หลายครั้งทีเดียวเมื่อพระเจ้าตอบว่าใช่อนุ ญ, ญาตให้ทำได้แล้วก็นามาซึ่งความจาเริญความก้าวหน้า แต่ในหลายๆครั้งครับเมื่อพระเจ้าบอกว่าทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ให้ทําแต่พระยอมที่ให้ทําอนุญาตให้ทําแต่นํามาซึ่งความเสียหายครับนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นพระพรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องระวังให้ดีการอธิษฐานในแต่ละอย่างแต่ละประการนั้นเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการอธิษฐานครับ และเมื่อเราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคำ อ, อธิษฐานในพระคัมภีร์แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากในเช้าวันนี้ครับก็จะได้บรรยายให้พี่น้องได้ทราบจากข้อเขียนหนังสือ20กฎทองคำของศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยศาสนาจารย์สุพิธวิจักโยธินเราพบครับว่าเมื่อพระเจ้าตอบว่าโนแต่ไดลภาพรนในวันนี้ เรามาถึงจุดที่ว่าพระเจ้าตอบเยสแต่ขาดพระพรครับเพระเจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่รข้อิบี่สิสรุดีบทที่1นึข้อิ1สโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารพวกเขาลองดีกับพระเจ้าพระองค์จึงประทานตามที่พวกเขาเรียกร้องแต่ผลที่ได้คือผอมแห้งฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณ ในถินทุรกกันดารพวกเขาลองดีกับพระเจ้าพระองค์จึงประทานตามที่พวกเขาเรียกร้องแต่ผลที่ได้คือผอมแห้งฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณในวงเล็บมีโรคระบาดมาเหนือพวกเขาพีน่น้องครับนั่นคือการได้รับอนุ ญ, ญาตแต่กลับแห้งแลง้งฝ่ายวิญ ญ, ญาณเสียหายครับอิสราเอลรับประทานมานานในถินทุรกกันดาลแต่เขาไม่พอใจเขาก็บน่นต่อว่าพระเจ้าเสมอ เขายอมที่จะกลับไปทา่าดเป็นเป็นท่านในอียิปต์นะครับจนกระทั่งมีคําพูดอย่างนี้นะครับว่าการที่เอาอิสราเอลออกจากอียิปต์นั้นง่ายกว่าการที่เอาอียิปต์ออกจากอิสราเอลนั่นหมายความว่าการที่เอาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นก็ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการที่จะเอาแนวทางการดําเนินชีวิตหรือความสะดวกสบายอย่างอียิปต์นั้น ออกจากประชาชนอิสราเอลเพียงครับหลายครั้งเราก็มีชีวิตเช่นนี้คือว่าเราเองนั้นปั้มสู้เรากําลังต่อสู้กับการที่จะเอาโลกออกจากคริสเตียนเอาคริสเตียนออกจากโลกก็ง่ายกว่าการที่เอาโลกออกจากคริสเตียนพี่น้องเห็นด้วยไหมครับท่านาศาสตราจารย์ดรฟริปเทงนั้นเขียนต่อไปครับว่า อิสราเอลเมื่อเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าเขายอมที่จะกลับไปเป็นท่านอียิปต์ในขณะที่เขานั่งอยู่ใกล้มอเนื้อและรับประทานอาหารอย่างอิม่มหนำก็ยังดีกว่าดีกว่าพวกเขาจะขอเนื้อจากพระเจ้าเมื่อเขาขอเนื้อจากพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้มีลมพัดมาและพัดพาฝูงลกคุ้มมาจากทะเลครับพวกเขาได้กินอาหารเนื้อ นี่การคาดการครับว่าฝูงนกคุ้มที่มาจากทะเลนั้นต้องมีจำนวนเป็นแสนเป็นล้านตัวครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นมีคนเรียกว่าผู้ชายนั้นอยู่ในถิ่นทุร ก, กันดาร0 0แสนไม่รวมผู้หญิงและเด็กนะครับก็คาดกันว่ามีาราวๆสองล้านคนพระเจ้าเลี้ยงเขาด้วยนกคุ้มด้วยอาหารโปรตีนอย่างดีแต่เขากลับกบฏกับพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้า เราพบได้ในการนานวิถีบทที่1ินะครับแยกจากตรงนี้นี่เองนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้หลักความจริงข้อนี้ว่าถ้าว่าคริสเตียนคนไหนถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองทูลขอแต่สิ่งที่จะบำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนังทำให้ร่างกายพอใจพระเจ้าก็จะตอบว่า yes แต่ผลที่ตามมาคือความเสียหายได้ครับมีความเป็นไปได้ และจากตรงนี้นี่เองนะครับช่วงแรกๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดเนี่ยนะครับเขาจะหลงละเลงอาจจะนำไปสู่การไม่กลับใจก็ได้ผลที่ได้ก็คือผอมแห้งฝ่ายจิตวิญญาณครับประเด็นต่อไปก็คือว่าหลายครั้งทีเดียวเราเห็นตัวอย่างจากพระกมภีร์ว่าพระเจ้าตอบว่า yes นะครับพระเจ้าอนุญาตให้เกิดแต่ปรากฏว่า ผลที่ได้รับมันล้มเหลวครับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่นี่ก็คือกษัตริย์เทเศกิยาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับเขาได้รับพระคุณเยอะแยะมากมายความดีของเขาทำให้พระเจ้านั้นอวยพระพรเขาแต่เมื่อเขารับพระพรจากพระเจ้าก็เกิดความเยอ่อยิ่งจองหองครับ ในพระธรรมสองพงศาวดารบทที่3ามสิบข้อ25ได้กล่าวว่าเฮเซกิยาไม่ได้สนองพระคุณนั้นเพราะพัะไทยของพระองค์พยองขึ้นพยองขึ้นหมายถึงย่อหญิงยะโสครับแล้วหลังจากนั้นเฮเซกิย hey, า ah ก็ทรงประชวรพระองค์พยายามอ้อนวอนทูลขอการรักษาโรคจากพระเจ้าพระเจ้าตอบ yes พระเจ้าตอบตามคำที่เขาขอครับแต่แต่เมื่อพระองค์หายจากประชวรแล้ว ก็กลับมามีชีวิตที่ล้มเหลว อ, อีกพี่น้องรัาพเจ้าตอบ yes แต่คำว่า yes จากพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดแต่ปรากฏว่าไม่อะไรครับไม่ประสบความสำเร็จชีวิตของเฮเซกิยาก็กลับไปสู่วิถีชีวิตแห่งการหญิงพยองเหมือนเดิมผมอยากจะขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้านะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเฮเซกิยามาให้พี่น้องฟังนะครับ ปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่38ปข้อถึงข้อที่4อิสยาห์บทที่ 38: ข้อ1ถึงข้อที่ 38, 1, 4ครั้งนั้นเฮเซคยาทรงประชวนใกล้จะสิ้นพระชนและผู้เผยเพระเจะ้าอิสยาห์บุตรอาโมอสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัส ด, ดัง น, นี้ว่าจงจัดการบ้านการเมืองให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแล้วเฮเซคิยา ทรงหันพระพักเข้าข้างฝาอาธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และสิ้นสุดใจและได้กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและเฮเซยาทรงกันแสงมากยิ่งแล้วพ่อจะนะมาถึงอิสยาว่าจงไปบอกเฮเซคิยาว่า พระเยววาพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัส ด, ดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วดูเถิดเราจะเพิ่มชีวิตให้เจ้า15ปีเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือของพระราชอาซีเรียและป้องกันเมืองนี้ไว้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าต่ออายุต่อวาระให้กับเฮเซคิยาครับให้เขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่และรับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่า ในบทที่39ข้อ1ถึงข้อที่8ครับก็ได้บันทึกถึงสิ่งที่น่าเศร้าใจคำตอบจากพระเจ้าว่า yes นะครับแต่มันเสียของครับไม่เกิดประโยชน์บทที่39ครับข้อ1จนถึงข้อที่8คราวนั้นเมโรดักบาลาดันโอรสของบาลดันพระราชาแห่งบาบิโลนทรงส่งราชสารและเครื่องบรรณาการมาถึงเฮเซคิยา เพระพรองค์ได้ยินว่าเฮเซคิยาทรงประชวนและทรงหายประชวนแล้วและเฮเซคียาก็ทรงเปรย์ปรีพวกเขาเหล่านั้นและทรงพาเขาชมคลังทรัพย์ของพระองค์ชมเงินทองคําและเครื่องเทศและน้ํามันประเสริฐและคลังแสงของพระองค์ทุกอย่างซึ่งมีในท้องพระคลังไม่มีสิ่งใดที่ในพระราชวังหรือในราชนาจักรของพระองค์ซึ่งเฮเซคิยามิได้ทรงแสดงให้แก่เขาแล้วผู้เผย พจะนะอิสยาก็เข้าเฝ้ากรรษัตริย์เฮเซคิยาและทูลพระองค์ว่าคนเหล่านี้ทูลอะไรบ้างและเขามาแต่ไหนเข้าเฝ้าพระองค์เฮเซคิยาตรัสว่าเขาได้มาหาเราจากเมืองไกลจากบาบิโลนท่านทูลว่าเขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้างและเฮเซคิยาตัดตอบว่าเขาเห็นทุกอย่างในวังของเราไม่มีสิ่งใดในพระคังของเราซึ่งมิได้สาแดงแก่เขา แล้วอิสยาทูนเฮเซกิยววะขอทรงฟังพระวจนะของพระเจ้าจอมโยธาดูเถิดวันเวลากำลังย่างเข้ามาเมื่อสปปรรพสิ่งทั้งสิ้นในวังของเจ้าและสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวันนี้จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลนจะไม่มีสิ่งใดเหลือเลยพระเจ้าตรัส ด, ดังนี้แหละ และลูกบางคนซึ่งถือกำเนิดจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้าจะต้องถูกนำไปและเขาจะเป็นขันทีในวังของราชาแห่งบาบิโลนแล้วเฮเซคียา ah, ตรัสกับอิสยาว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านกล่าวนั้นก็ดีอยู่เพราะพระองค์ดำริว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยในวันเวลาของเรานี้พี่น้องครับเราเห็นชัดเจนครับเฮเซคียา กลับมาหญิงยะโซหลังจากที่พระเจ้าต่อวาระยืดอายุให้พี่น้องเห็นเห็นไหมครับในที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากการตอบคำอธิษฐานแท้จริงการตอบคำอธิษฐานว่าเยสนั้นเป็นพระเมตตาของพระเจ้านะครับแต่ว่าเนื่องด้วยการตอบคำอธิษฐานว่าเยสแต่ปรากฏว่าคนที่พระเจ้าตอบเขาเขากลับทำให้ คำอนุญาตของพระเจ้านั้นเสียหายครับเสียของใช้การไม่ได้จึงไม่บังเกิดผลตามที่เขาต้องการและตามที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าไม่ได้ตั้งพระไถยไม่ดีกับชีวิตของพวกเรานะครับพระเจ้าตั้งใจดีแต่ว่าเราต่างหากที่ไม่รู้จักใช้พระคุณของพระเจ้าอย่างกระตันยูกระตะเวทีอย่างที่ ทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าต่างหาครับเราบังเกิดความหญิงยะโสโอหหังทำให้เราไปต่อไม่ได้ขอพระเจ้าเสริมกำลังครับอาเมน